พระพุทธเจ้าตำหนิว่าท่านเป็นผู้รู้แต่ไม่คว้างพอเพราะบางครั้งก็กล่าวว่าเวทนาเป็นหนึ่งคือเวทนาทั้งหลายเป็นทุกเวทนาสาคือมีสุขมีทุกมีอัตุขมสุขคือไม่สุขไม่ทุกเฉยเฉยเวทนาหาเติมโสมนัตและโทมนัตเข้าไปด้วยเป็นเวทนาเหมือนกัน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 ไม่จำเป็นต้องรู้บารีสำหรับนักภาวนาต่อภายหลังค่อยเรียนเอาได้เมื่อจับความรู้สึกตัวได้แล้วโอยให้ธรรมชาติพาไปสู่ที่สุดของธรรมชาติเองอย่าพยายามสร้างอุปสรรคขึ้นเราจะกลับไปที่นั่นคือาธาตุฐานของความเป็นมนุษย์โดยไม่ต่อรองว่าเราอยู่ในยุคสมัยใดปลายทศวรรษที่ยี่สิบนี้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 อย่างนี้เรียกว่าอย่างรู้เกิดการอย่างรู้คือสัมผัสแก่นธาตุไม่ใช่ความคิดนึกที่นี้เลื่อนมาสู่จิตจิตนั้นมีอาการต่างๆซึ่งสัมผัสได้ด้วยจิตที่สติถูกบูรณาการแล้วจิตมีอาการอย่างไรสติก็ทันท่วงทีอย่างนั้นเมื่อจิตแปล ร, รูปปรับเปลี่ยนธาตุต่างๆเคลื่อนไหวคิดจิตมีอาการอย่างไร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 อันนี้ไม่มีประสบการณ์เลยสําคัญมากเพราะความรู้สึกตัวล้วนล้วนนั้นเหมือนเด็กทารกยิ่งบริสุทธิ์เท่าไหร่ก็ยิ่งรู้ตัวสภาวะนี้อย่างทันทีเท่านั้นก่อนที่ความคิดจะเข้าไปแทรกว่าอันนี้เป็นเหตุอันนี้เป็นผลดังนั้นจึงเรียกว่าการอย่างรู้ไม่ใช่ความคิดนึกเชิงเหตุผลเราจะพบว่า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 ว่ามีการเปลี่ยนแปลงถ้ามีความคิดเข้าแทรกนั้นไม่ใช่แต่พอสัมผัสแล้วค่อยๆรู้จับทีหลังเวลาล่วงเลยไประยะหนึ่งค่อยๆเข้าใจขึ้นอันนี้เรียกว่าการอย่างรู้ซึ่งปรากฏขึ้นหลังจากรู้จักจิตโดยความเป็นจิตรู้จักจิตที่จิตซึ่งไม่มีภาพลักษณ์ใดๆทั้งสิ้น